หลานทุกคนให้อยู่ในความสงบนิ่งใครในจิตในใจจะเป็นฝ่ายพระก็ดีจะไปฝ่ายฆราวาสจัดโยมผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ห่างไกลก็ดีความคิดใดที่ไม่เป็นการสร้างสรรค์ไม่มีไม่เป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงสมครคีไอ้พวกเราอยากคิดในช่วงนี้ไอ้ข อ, เ, อเหมือนกับพ่อแม่ของเราหีบศพอยู่ในบ้านแล้วพวกเรามาทะเลาะกัน ในบ้านและให้แขกทางอื่นทางไกลามาดูมันขายขี้หน้าขายขี้หน้าพี่น้องของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราอยู่ในความสงบมีแต่สร้างสรรค์มีต่ยกมือยื่นมือเข้ามาช่วยกันจะทำยังไงพวกเราจะเป็นไปได้ความราบรื่นในงานพ่อของเราเพราะพวกเรารักเคารพในพ่อของเราทุกอย่างต้องยอมทั้งหมด อ, อย่างตรงพ่ออินเนี่ย แต่หลวงพ่อเนี่ยยอมทั้งหมดจะขายหน้ายังไงหลวงพ่อก็ยอมแต่เพราะเหตุไยเพราะรักเคารพในองค์หลวงตาแต่ะนั้นเรื่องว่าอยากได้หน้าอยากได้ตากับองค์หลวงตาอย่างนั้นไม่ควรจะมีควรจะเสียสละทุกอย่างเพื่อพ่อของเราเพราะฉะนั้นขอให้คณะสิทธิอนุสิทธ์ทุกหมู่ทุกเหล่านะแต่ถึงหลงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นเป็นการย้ําเตือนพรอบครัเราจะต้องรับคนเป็นล้านและจะต้องอาศัยความ พอมเพียงสา ม, มคัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวเป็นพลังเหมือนกับไม้หลายหลายซี่นั่นแหละในนิทานอิศกนิทานคนโบราณเขาสอนกันไม้แต่ละซี่เอามาหักหักหักแต่ละซี่มีลูกหลายคนหักมันก็หักแต่ถ้าเอาไม้เหล่านั้นมารวมกันให้เป็นเออเอาเชือกมัดให้เป็นรวมกันให้เป็นหลายซี่จะมารวมกันโยนให้ใครหักก็หักไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม้นะั้นมันหลายซี่มันเป็นหนึ่งเดียว แต่ถ้าแบ่งออกไปแล้วมันหักแล้วมันมันหักได้นี่ก็เหมือนกันความพร้อมเพียงสมัคขีของหมู่ของคณะความพร้อมเพียงของสงความพร้อมเพียงของพี่น้องประชาชนความพร้อมเพียงของลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาเออมันเป็นพลังทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสมครคีกันแลว้วหาความเอกฉันได้ยากนะพี่น้องลูกหลานอย่าไปยินดีในการแตแกแยกสมครคี ใ ห, ให้พร้อมพากันยินดีในความพร้อมเพียงสมัครีองค์หลวงตาของเราสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกในความพร้อมเพียงสมัครีของสิทธิ์นะเพราะนั้นของหลวงพ่อเองในนามของพี่ พ, พี่น้องๆองค์งหนึ่งไม่ใช่เป็นประมาทยานหรือว่าเป็นผู้แทนหลวงตาไม่ใช่เป็นพี่น้องของพวกเราท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็น ไม่มีใครพูดเลยก็ไม่มีใครก็ไม่เรื่องราวพอจะไม่มีแต่ถ้ามีองค์นึงอย่างหลวงพ่อพูดขึ้นมาเออเอาใช่เอาไปคิดดูซิจริงไหมความพร้อมเพียงส ม, มัต ค, คีนี่เกิดสุขแต่แยกสมบัต ค, คีกันเกิดทุกข์นะแล้ววันนี้หลวงพ่อขอประกาศที่ท่านพระกรรมการคณะกรรมการจัดงานอุปสมบท อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเนี่ยหลวงปู่ลีของเราเนี่ยเป็นทายาทของหลวงปู่มั่นเอ่ที่นั่งขวาหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นทายาทหลวงปู่มั่นที่ท่านบวชในงานหลวงปู่มั่นเนี่ยจุคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชาเอ่อจุคุณธรรมเจดีเป็นอุปชาของหลวงตาด้วยนะของหลวงปู่ลาดหลวงปู่ต่างๆทางุคุณอุปคุณเอ่อทำธรรมเจดีเนี่ยเป็นพระอุปชาหลวงปู่ลีก็เหมือนกันแต่ที่พวกเราไปเห็นว่า อุปสมบทคราวนี้มีความหมายก็เลยอยากจากัดสืบสื่อตออ่อลูกหลานผู้ที่มีอุปนิสัยก็คงจะมีใน200กว่าองค์เนี่ยวันนี้ทราบว่าได้ส0งกว่านะแต่ส0งร้อยกว่าผู้ที่จะมาบวชในงานองค์หลวงตาวันที่1ถึงวันที่สเพราะนั้นขอหลวงพ่อขออ่านข้อความที่ท่านได้อามาให้หลวงพ่ออ่านในวันนี้ ประกาศถึงครูบาอาจารย์เรื่องร่วมกันเป็นเจ้าภาพบพรรพชาอุปสมบทด้วยคณะสิทธ์ด้วยคณะสงฆ์สิทธ์ขององค์หลวงตามหาบูญณสัมปันโนขอในมนขอในมน์ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาพนห้าขึ้นไปคือพรรษาพ้นห้านี่คือให้มานั่งนั่งและให้สินให้ศินนาถแต่ถ้าภรรษาน้อยกว่านั้นท่านยังยังยังไม่ใช่าอาจารย์คือตั้งแต่ภรรษา เป็นนิสัยมุตตะจังแต่พ้นห้าขึ้นไปตว่าเป็นพระพี่เลี้ยงได้เหมือนกับเด็กอายุห้าปีเนี่เป็นเป็นผู้ดูแลน้องๆได้น้องที่เกิดใหม่นี่นี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพระวินัยให้พรรษาพ้นห้าขึ้นไปได้สมัครเป็นพระพี่เลี้ยงในการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในงานพระราชทานเพลิงโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่งวันที่17บ็ คือวันนี้กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เวลา 10.00 นเวลา 10.00 นรับผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทพาไปยังที่พักปลงผมอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวัดสองวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554พาผู้สมัครออก ช่วยรับบินทบาทฉันพระทหารเช้าพาผู้สมัครบวชไปพร้อมกันที่กุติองค์หลวงตาใครๆว่าให้ไปเห็นกุติองค์หลวงตาแล้วก็ไปทำสถานไปไปทำการสมัครบวชตรงนั้นคือให้ผู้ที่จะบวชให้ไปกล่าบไปไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือกุติขององ ห, หลวงตาเวลาสิบเอ็ดนุนนผู้สมัคร รับอุโบสถศิลบวชเป็นตาพระขาวเป็นนาคให้การอบรมนาคและก็อบรมนาค พ, พระผู้ใหญ่จะเป็นผู้อบรมนาคว่าการบวชขาวนี้มีจุดประสองค์อะไรมีความหมายอย่างไรเราต้องตั้งใจบวชนะลูกหลานนะอย่างนี้เป็นต้นนะและก็พระพี่เลี้ยงนำนาคไปซ้อมขานนาคจากนั้นพออบรมเสร็จแล้วก็พระพี่เลี้ยงก็ได้จะนำนาคไปซ้อขานนาค เพื่อให้ถูกตามหลักพระธรรมวินัยออแล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2554เวลา9นาฬก30นาทีพระอุรมยานโมลีคือจกคุณปู่วัดโพธิสมพรของพวกเราเนี่ยมานั่งพระอุปัชาายะนักศาล า, านอกวัดป่าบ้านตัด้พระที่เลี้ยงช่วยกันคองผ้าแก่ผู้บวชแก่ผู้ขอบวช แล้วพระพี่เลี้ยงแต่ละรูปออกไปบอกไตรสรณคมให้ศีลคือพระที่มามากๆคือพร้อมกันไปนั่งให้ศีลแก่แก่แก่ที่ผู้ที่จะบวชเป็นสัมเนตรก่อ น, นเสร็จแล้วพระพี่เลี้ยงแจ้งชื่ออาจารย์ผู้ให้ศีลในใบให้ฉายาแก่สัมมเนตรแต่ละรูปโดยพระพี่เลี้ยงกำกับเก็บสำเนาวไว้ด้วย แบ่งสัมมเณีนเป็นกลุ่มไปประกอบพิธีอุปสมบทวันที่หนึ่งนัถึงวันที่ส25สอ้าร้าสดังนี้ฟังนะท่นี่คือสมมเณีจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแต่นี่เป็นสนัมมาณีนะนะยกคุณปู่บวชที่ศาลาใหญ่นอกนะเป็นสนัมมาณีแล้วท่นี่แล้วเอาสัมมาณีไปบวชเป็นพระท่นี่หนึ่งวัดโพธิสมพรห้าสิบรูปประมาณนะห้าสิบรูปแล้วก็วัดสุตทาวาสจังหวัดสกลนครห้าสิบรูปนะ วัดป่ากกสะทอนห้าสิบรูปวัดป่าสัทธาถวัฒนาถวายถ้ำเต่าหลวพ่อบุญมีนะห้าสิบรูปวัดป่านาแองยานสัมปโนโนห้าสิบรูปรวมแล้วเป็นสองรอยห้าสิบรูปนะทั้งนี้การอุปสมบทการอุปสมบทให้แล้วเสร็จภายในวันที่สามมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ เวลา 12:00 นโดยในวันนั้นเวลา 13:30 นที่วัดป่าบ้านตาดคณะสงฆ์สิทธยาุศิษย์ขององค์พ่อแม่ภูจารพร้อมเพียงกันทำบุญกุศลและรวบรวมจุตุปใจนำทองคำเข้าครังหลวงอันนี้ก็คือประ ก, กาศผู้พี่ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสที่เป็นสิทธผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นสิทธทุกรุ่นทุกรุ่นของเป็นลูกศิษย์ของหลวงหลงตา ให้รวบรวมจะตุปัจจัยมาการมาทำถวายองค์หลวงตาเป็นครั้งสุดท้ายรวบรวมทองเน้นไปในทางทองเพื่อให้พินัยกรรมขององค์หลวงตาสำเร็จรุ่ล่วนงะเข้าครังหลวงนะวันที่วันที่สามวันที่สามมีนาคมเวลา 12.00 นโดยวันนั้นเวลา13บุนบที่วัดป่าบันตาด รวมกันที่13ศูนย์ุนทอที่วัดป่าปันตาแห่งนี้แหละขอประกาศให้ครูบาอาจารย์ทุกรุ่นที่เป็นสิทธิ์เวลาบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งของวันที่สามมารวมกันแล้วก็มีการทอดผ้าบางสกุลถวายองค์หลวงตาครูบาอาจารย์ที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะเป็นพระพี่เลี้ยงโปรดแจ้งให้ที่แผนทะเบียนรับพระ ยังต้องการพระพีเลี้ยงมาสมัครอีกเป็นจำนวนมากสำหรับคณะสิทธิานุสิทธิ์ขององค์พ่อแม่กูญาจนที่เป็นเจ้าภาพที่เป็นเจ้าอาวาสซึ่งมีความพร้อมในการรับพระนวกะไปอยู่จำพรรษาโปรดแจ้งชื่อเจ้าอาวาสชื่อวัดและจำนวนพระนวกะที่จะรับได้โดยติดต่อได้ที่แผนกรับพระอันนี้ก็คือ คือท่านประกาศว่าพระเมื่อบวชแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ตามความสมัครใจถ้าว่าใครนาคนไหนพระองค์ไหนที่เขามาบวชใหม่นิสัยเคารพนับถือครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ เ, เข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์นั้นได้ไม่ได้กีดกันไม่ได้ออกมาไว้ที่นี่ทั้งหมดนะจะไปอยู่ที่ไหนที่รักเคารพแต่ถึงยังไงต้องอยู่ในหลักพระวินยัยจะ บวชเข้ามาแล้วทะเลถไลไม่ได้อันนั้นบวชเข้ามาแล้วทะเลถลไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ใช่จิตหลวงตานะจิตหลวงตาเนี่เพื่อบวชเข้ามาแล้วก็ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ศึกษาอย่างหลวงพ่ออินนี่เป็นตัวอย่างนะเนี่ยเป็นสัมมาณีอยู่กับหลวงปู่ล้านเนีเป็นพระด้วย9ก้าปีแล้วกระจากนั้นก็อยู่หลวงปู่จามไปอยู่กับหลวงปูแ่แหวนแล้วก็มาอยู่กับหลวงตาเป็นเวลา14ปีนี่แหละไม่เคยไปไหนไม่เคยออก ออกไปจำพรรษาที่อื่นอยู่กับครูบาอาจารย์จากนั้นถ้าจะไปเที่ยวก็เที่ยวหน้าแง้งไปออกทุรงหน้าแง้งจากนั้นก็กลับมาจำพรรษากับครูบาอาจารย์อีกนี่แหละพออายุพรรษามากแล้วจะไปที่ไหนก็ไปท่นี่เพราะเป็นพระผู้ใหญ่พอที่จะเอาตัวรอดได้แล้วก็ไปได้แต่ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วทะเลทลายไปนูน่นไปนี่ไปหากินข้าวต้มขนมหลวงตาท่านตําหนินะทุกหลานทุกคนผู้ที่จะบวชเนอะไม่ใช่บวชมาแล้ว มาบวชแล้วมาเที่ยวไม่ใช่นะบวชแล้วมาปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นทุกข์ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะแล้วันนี้ได้พูดยาวไปสักหน่อยขออภัยนะคณะสัทยาธิยมหมู่วกเพื่อนนะเอารับพรนะัตนีเนะ้อ